ทีนี้เราก็จะมาบรรยายช่วงบ่ายเนี่ยนะเป็นสิ่งหนึ่งอีกเหมือนกันที่มีความสําคัญในชีวิตประจําวัน <c oughs> คือเราหนีไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เราหนีไม่ได้คือความคิดเรื่องของความคิดเป็นเรื่องที่หนีได้ไหม <Yeah. S 1> มันจึงต้องมีการบริาหารในการจัดการเพื่อศักยภาพ ของคุณภาพชีวิตในระหว่างวันพระพุทธเจ้าสอนแต่ถ้าโดยทั่วๆไปเราไม่สามารถที่จะบริหารเขาได้ความคิดมันจึงตกอยู่ใต้อารมณ์มีอารมณ์เป็นตัวขับเคลื่อนพาไปมีอารมณ์เป็นตัวขับเคลื่อนพาไปนั้นความคิดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญพระพุทธเจ้าตรัส เรื่องวิธีการบริหารความคิดให้ความคิดมันอยู่ในอำนาจเรียกว่าการควบคุมความคิดโดยอาศัยอะไรโดยอาศัยจิตที่ราฝึกอบรมขึ้นมานี่แหละอาศัยสติสมาธิแต่ลึกไปกว่านั้นก็คือว่าเราต้องมีความเชื่อนะต้องมีความเชื่อในพระพุทธเจ้า แล้วก็แนวแน่ในคาสอนของพระองค์พาเรามีความเชื่อในพระพุทธเจ้าแน่วแน่ในคาสอนของพระองค์มันก็จะทาให้เราปฏิบัติตามได้ง่ายในเรื่องของความคิดที่มันเกิดเคลื่อนไหวอยู่ไปในจิตใจในชีวิตของเรานั้นทุกๆความคิดที่มันเป็นอกุศลดูถุนสิ่งที่เป็นอกุศลก่อนว่ามันเคลื่อนไหวอ ย, อย่างมีอนานาจ ไอ้ความคิดที่เป็นอกุศลนะมันจะประกอบมันมีองค์ประกอบอยู่อย่างน้อยๆก็ต้องมีสามประการตัวแรกคือฉันทะนี่เราพูดกันถึงเรื่องความคิดที่มันเป็นอกุศลนะความคิดที่เป็นบาปฉันทะตัวนี้คือการน้อมใจเข้าไปน้อมใจกับมันมันมีความตั้งใจเกิดมันตั้งใจโกรธเลยแหละนเรียกว่าฉันทะ มันตั้งใจโกรธเลยเ อ, อมันยินดีพอใจโกรธเลยแหละออมันพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีอํานาจสำกับปานังวสานุคโคคือว่ามีอํานาจมีอํานาจเป็นไปในอาจใจจะเป็นไปในอํานาจของความคิดเพราะฉะนั้นการบริหารการจัดการความคิดมันจึงเป็นเรื่องที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวลาเราอยู่ในสภาพนี้คือเราอยู่ในสภาพรู้ซึ่งมันไม่ได้ปล่อยให้ความคิดมีอานาจรู้มีอานาจเราจะเห็นว่าในระหว่างวันนั้นความคิดมีอำนาจจริงๆแล้วก็มันส่งผลทําให้เราเป็นทุกทุกทุกความคิดสามารถให้เราเป็นทุกได้ทั้งหมดราะการบริหารจัดการความคิดมันจึงเป็นเรื่องที่สาคัญ แล้วก็ดูว่าท่านให้เราจัดการกับความคิดกองเราอย่างไรแต่ามาันเป็นอคติสนนะประการแรกต้นว่าให้เปลี่ยนเรื่องคิดเปลี่ยนเรื่องคิดนึกภาพออกไหมอ่บางความคิดเนี่ยอย่างความอิจฉาริสยา พรเราฝึกรู้มาเนี่ยเราทันว่ามันโอ้ยมันเกิดแล้วทำไงดีเนี่ยหรือโกโรธเนี่ยโกโรธคนที่บ้านหรือโกโรธใครก็ตามพอเห็นความโกโรธขึ้นมาแล้วมันมันรู้แล้วว่าโกโรธแล้วไม่ดีแล้วถ้าขืนปล่อยไปอย่างนี้นะพูดออกไปทำออกไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นมันไม่ดีแล้วอย่างนี้เราทำไมให้เปลี่ยนเรื่องคิดการเปลี่ยนเรื่องคิดได้ผลไหม เปลี่ยนเรื่องคิดต้องเปลี่ยนเรื่องที่มันมีกำลังมากกว่าเรื่องที่คิดเดิมเดิมท่าในใ้นึกเปรียบเหมือนริมสลักอะริมสลักเคยรู้จักแ้ไหมริมริมสลักที่มันเป็นริมเทียบอยู่เราจะเปลี่ยนริมตัวนี้เราจะต้องทำอย่างไรเราต้องเอาริมใหม่ต่อเข้าไปถูกปะและริมใหม่นั้นจะต้องโตกว่าริมเก่า น, นะ พอเราตอกก็ไปตอก้าไ ป, าไปจนไอ้ไอ้ต้นที่มันริ่มอ่ะไอ้ริมเก่ามันก็คลายตัวใช่ไหยดึงออกมาไอ้นี่มันอยู่ด้วยอะไรเป็นริ่มใหม่ใช่ไหมเข้าใจไหมเนี่ยเออการตอกริมใหม่เข้าไปแทนริ่มเก่าเอาริ่มเก่าออกมานั้นวิธีการนี้เป็นเหมือนกันเปลี่ยนเรื่องคิดถ้า ถ้าเอาแบบตรงๆอย่างเช่นเรากำลังโกรธอยู่เนี่ยก็หาอะไรอย่างอื่นทําครูบาอาจารย์บางทีท่านใช้อุบายให้มาคิดเรื่องพุทโธเออโกรธอยู่ใช่ไหมมาคิดเรื่องพุทโธบางทีก็ใช้รูปประคัม พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเร่งเร่งเรงเรงรงเรรงเรรงเรจนจนความโกรดนั้นหายไปนี่เรียกว่าเปลี่ยนเรื่องคิดหรืออืถวดมนหรือนั่งอยู่ตรงห้องนี้คิดคิดถึงเรื่องใครสักคนหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปคิดอีกคนหนึ่งที่มันสบายใจ ที่มันไม่มีความโกรธฮะมีบ่อยไหมพอคิดถึงคนนี้แล้วมันโกรธขึ้นมาเลยก็เปลี่ยนใช่ไปคิดถึงอีกคนหนึ่งที่มันไม่โกรธนะ้ปคิดถึงสา ม, มีโกรธไหมโกรธก็เปลี่ยนไปคิดถึงลูกลนะไดครับพอคิดให้มันหายให้ความคิดอันเป็นอกุศล น, นั้นมันหายมันดับเรียกว่าวิทยาเนี้ยเปลี่ยนเรื่องคิดให้สังเกตว่าการทําอย่างนี้เนี่ย มันจะต้องอาศัยกำลังใจมากนะเพราะว่ามันยากที่จะทำแต่ถ้าเรารู้เรามีสภาวะรู้ที่เราฝึกผลมาเนี่ยเพราะรู้มาปั๊บมันจะเห็นความโกรธเห็นความคิดมันก็จะทำให้เราทำได้ถ้าเราไม่เห็นความคิดเราทำไม่ได้เว้นไว้แต่ว่ามันคิดจนอัดอั้นเข้าสู่ทางตันไม่รู้จะทำยังไงอันนี้คือความคิดที่เกี่ยวกับพ่อแม่ ความคิดเป็นอกุศลเช่นว่าโกรธคุณแม่โกรธคุณพ่ออย่างเงี้ยแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้อ่ะนะมันทํำน่อย ไ, ไม่ได้แล้วมันบดขยี้ใจอยู่นานๆแล้วมีความรู้เรื่องนี้มีความรู้เรื่องที่จะพูดให้ฟังวันนี้เออหลวงพ่อเคยพูดไว้อย่างนี้ไว้อ่าอย่างเงี้ยมันจะมีจังหวะมันทำอะไรไม่ได้พูดก็ไม่ได้โต้ต่อก็ไม่ได้ด่าก็ไม่ได้ อแสดงกิริยาอะไรออกไปก็ไม่ได้เพราะเป็นพ่อ เ, เป็นแม่อย่างเงี้ยวันนี้เราต้องทําเราก็รู้แล้วโอ้ยมันไม่ได้เว้ยต้องเปลี่ยนเรื่องคิดอ mm hmm. ืันวิธีนี้มันเหมือนตอกลิ่มสลักอีกอันหนึ่งแทนลิ่มสลักอันเก่าให้ลิ่มสลักอันเก่าคลายตัวแล้วก็ถอดออกมาให้อยู่ในลิ่มสลักอันใหม่แจะคิดเรื่องที่มันไม่เป็นอกุศลแต่ถ้าทําอย่างนี้แล้วเออ เปลี่ยเรื่องคิดแล้วมันเอาไมาอยู่เพราะความที่ว่ามันยังมีอยู่ไอ้ความคิดเป็นอกุศลเหล่านี้เราก็เปลี่ยนเรื่องคิดแล้วแต่มันไม่สามารถที่จะเอามันอยู่ให้ทำยังไงให้พิจารณาถึงโทษมันนะให้พิจารณาถึงโทษของความคิดการพิจารณาถึงโทษของความคิดพิจารณาได้ไหม คือถ้าเราสามารถตั้งใจที่จะเปลี่ยนเรื่องคิดไอ้ความที่ว่าเราตั้งใจจะเปลี่ยนเรื่องคิดเนี่ยมันเป็นระยะของจิตที่จะสามารถแต่มันไม่สามารถเปลี่ยนเรื่องคิดได้อากุศลยังอยู่เพนันจิตจึงมีกำลังพอมีความสามารถพอที่จะทำการศึกษาโทษของมัน โทษของความคิดถ้าเป็นความคิดโกรธเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้ดูซิโทษมันเป็นยังไงอโทษสามารถที่เราสามารถรู้ได้ที่เราสามารถเห็นได้ถ้าโกรธไปอย่างนี้แล้วเกิดพูดออกไปตามความโกรธอก็จะไปนําไปสู่การทะเลาะกันมีปัญหากันที่เราก็เป็นคนดีกันอ เข้าประตูเดียวกันนอนบ้านหลังเดียวกันกินข้าวโต๊ะเดียวกันออกจากบ้านประตูเดียวกันแล้วก็อยู่บ้านหลังเดียวกันทำงานที่เดียวกันถ้าเราเจอกันเนี่ยทุกวันถ้าเราขืนให้ความโกรธนี้อยู่โทษของมันคือจะทําให้เราอยู่ที่นี่ไม่มีความสุขบ้าง เกิดการทะเลาะ บ, บอกแวงกันบ้างอาจจะบานปลายทําให้เกิดเรื่องเกิดราวต่างๆอีกเยอะแยะมากมายสมมติว่าเราก็พิจารณามันขณะที่เราพิจารณาถึงโทษของเขาเนี่ยความโกรธก็จะมีกําลังเบาลงไปอกุศลทุกตัวถ้าเรามีโอกาสได้มาพิจารณาถึงโทษมันอย่างนี้นะในระหว่างที่เรากําลังพิจารณาอยู่เนี่ยเขาก็จะมีกำลังลมกำลังเบาลง เบาลงแล้วก็จะหายไปในที่ทุดนี่ปัญหาก็ว่าถ้ามันไม่หายอ่ะมีไหมเหมือนนางอุตรากับเอนางศรีมาเออใครอ่ะเดี๋มาจำไม่ได้คือพิทยิ่งพิจยนามยิ่งมีกําลังยิ่งพิจยนามมันยิ่งมีกำลังเฮ้ ย, น า, ยนางศรีมา นังซีมามันดูความโกรธ ด, ดูไป้มันยิ่งเพิ่มกำลังความโกรธถึงขนาดสาัตร์เหนื่อยใสยร้อนๆ่ะใส่ใส่นางอุตราผู้ซึ่งไม่ได้โกรธเลยนะมันทำอย่างนั้นได้เพราะว่าถ้าเราใช้การพิจารณาถึงโทษแล้วมันยังไม่หายความคิดนั้นยังมีอยู่ ความผิดอันเป็นอกุศลนั้นยังมีอยู่ท่านให้ทำไงเราก็ต้องหัดลืมมันไปเออ่อเมื่อกี้ไอ้ตอนที่มันพิจารณาถึงโทษนะให้ให้เหมือนกับพอพิจารณาและจิตมันประจักษ์ท่านเปรียบเหมือนกับเราพิจารณาถึงซากศพที่มักแฝนอยู่ที่คอ เหมือนพูดในความเมื่อเช้ามันเกิดความอิสะเอียนแล้วมันจะเห็นโทษแล้วมันจะสลัดไปแต่มันสลัดไปไม่ได้สมมติถ้ามันไม่หายมันไม่ไปไหนเลยมันสลัดไม่ออกเราจะต้องทำยังไงท่านก็ให้เราใช้วิธีลืมมันไปเช่ไลืมมันไปมองผ่านมันไปเช่ไ วิธีการมองผ่านเนี่ยวิธีการลืมความคิดตรงนั้นคือทําเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะอ ท, ทําได้ไหมฮะทําเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านเคยทํำไหมได้ไหมได้บ้า ง, างาถ้ามันได้ขึ้นมามันก็ดีกว่าปล่อยมันมีอำนาจถูกอ่ะเออใช่ได้เว้ยอืม ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใ่เรียกว่าลืมลืมเรื่องที่คิดทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ก็คิดว่าลืมเรื่องที่คิดอีกอันหนึ่งท่านให้ใช้ความรู้สึกตัวแรงๆอ่ะในวิตต ก, กะมัายสูตท่านว่า ให้ใช้ควันกับควันกดกันแล้วเอาลิ้นดันเพดานลองทำดูสิเอาควันกับควันกับกันอย่างแรงเี้ยในขณะเดียวกันเอาลิ้นดันเพดานความคิดทั้งหลายที่มันเป็นอกุศลที่มันทรงตัวอยู่นั้นสะบั้นเลยใช่ป่ะฮะลองดูเอาควันกับควันกดกันเนียเอาทำดูดิแล้วเอาลิ้นดันเพดาน จะโกรธอยู่เท่าไหรเท่าไรเท่าไรนะหยุดเลยพอพอเราคลายตัวออกมาปั๊บมันหายไปแล้วมันจะเกิดใหม่ถ้าเกิดใหม่มันไม่ใช่ตัวเดิมแล้วนะไม่ใช่ความคิดเดิมแล้วนะเป็นความคิดที่มีเหตุปัจจัยอันใหม่เกิดขึ้นแม้เรารู้สึกว่ามันมันคือเรื่องเดิมแต่จริงๆไม่ใช่มันคือตัวใหม่เพราะตัวเก่ามันดนดับไปแล้วด้วยความรู้สึกตัว การบริหารการจัดการความคิดมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อเช้าที่บอกว่าโยนิโสมนัสิการแต่ในนี้พระพุทธเจ้าให้เราจัดการเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้จิตตกอยู่ในอำนาจของความคิดถ้าจิตมันตกอยู่ในอำนาจของความคิดแต่ความคิดนี้หมายถึงว่าความคิดที่เป็นอกุศลนะ ถ้าจิตมันตกอยู่ในอำนาจของความคิดที่เป็นอกุศลเมื่อใดมันมันพังหมดมันพังหมดเพราะอำนาจของฝึกฝนอบรมมาสติสมาธิมากระเจิงหมดเพราะนจิตที่รู้ที่เราฝึกฝนมานี่ รู้ลมหายใจรู้การเคลื่อนไหวของเท้าเดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งหมดเนี่ยมันมีจิตรู้อยู่มันจะเป็นกำลังทำให้เรามาดูแลความคิดของตัวเองถ้าเราไม่ดูแลความคิดมันจะเป็นตัวทำลายบา ร, รมีใจในใจของเราถ้าเราไม่ดูแลมันทำลายหมดอ่ะมันเก็บหมดมันเหมือนเนื้อสนิม ที่เกิดขึ้นอยู่ข้างในมันทำลายความแข็งแกร่งของเหล็กให้ความคิดที่เป็นอกุศลที่มันเกิดขึ้นภายในใจของเรามันจะทำลายบา ร, รมีธรรมที่เราฝึกฝนอบรมมันจะเหลือเพียงสัญญาแต่มันไม่เหลือในฐานะที่เป็นบา ร, รมีไม่เหลือในฐานะที่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นเรามีความจำเป็นที่จะต้องหัน มาให้ความสำคัญกับความคิดของตัวเองด้วยและวิธีที่ที่มันเอื้อมากกับการกับการที่จะดูแลความคิดคือการจัดสรรชีวิตในระหว่างวันชีวิตเรามันมีความเกี่ยวพันจริงจังที่สุดในชีวิตเรามันมีใครมัง่งมีใครบ้างอย่างเรามีสามีมีลูก มีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่อยู่ที่บ้านนะอยู่ที่บ้านแล้วก็สังเกตดูว่าโดยพื้นฐานใจเราเนี่ยมันมีความคิดที่เป็นอกุศลกับใครคนใดคนใดบ้างกับสามีกับลูกลูกคนโตลูกคนเล็กกับแม่กับแม่บ้านหรือกับใครคนขับรถหรือใครก็แล้วแต่ ที่มันมีที่เราจะต้องพบต้องเจอในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแล้วก็ตรวจ ด, ดูว่าโอกาสที่อกุศลมันจะเกิดความคิดอันเป็นอกุศลมันจะเกิดกับคนเหล่านั้นมันมาทางใดบ้างทางคําพูดทางพฤติกรรมหรือต่างการแสดงออกบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับเราหรอกแค่ก็แสดงออกบางสิ่งบางอย่างในส่วนตัวของเขาอะ่ะเราก็ไปแล้วอกุศลเกิดแล้วใช่ไหมแต่เมื่อเราคิดร่วมหน้า คิดล่วงหน้าไว้แบบนี้ว่าโอกาสที่มันจะเกิดอกุศลอ้าเวเดี๋ยววันเนี้เยเย็นเนี้ยเลือดจากที่นี่ไปออกนี่ปับ๊บ้าไปถึงบ้านต้องเจอใครบ้างใครบ้างใครบ้างโอกาสที่มันจะเกิดอกุศลนี่มาเป็นประจําบ่อยๆเนี่ยมันมักจะมีมาจากใครบ้างใครบ้างคำพูดที่การณเน็ตกันณ์ไหนจากใครบ้างคำพูดที่พูดกันไม่รู้เรื่องจากใครบ้างเรื่องอะไรบ้างเรื่องเรื่องความเป็นไปในชีวิตประจําวันต่างๆในครอบครัว โอกาสที่มันจะเกิดเป็นอกบุญศลเราดูะดูพอมันดูเจอปั๊บเนี่ยพอเราพอมันเกิดขึ้นถ้าเรารู้ล่วงหน้าพอมันเกิดขึ้นปับ๊บเราก็รู้ว่ามันกำลังเกิดขึ้นแล้วออบุศนกกำลังมาแล้วตอนนี้เราจะมีเวลามีกำลังในการที่จะเปลี่ยนเรื่องคิดหรือใช้วิธีพิจารณาถึงโทษไอการวางแผน ในการรับมือต่ออากุศลมันจึงสำคัญมันเหมือนกับคนที่พยายามมองจับปลาในบอ่อที่ใช้ถอยเราพอเห็นปั๊บรู้เลยเห็นปั๊บจับปุ๊บจะฆ่าหรือจะปล่อยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่จับได้แล้วมันเมื่ออากุศลเกิดสิ่งหนึ่งที่จะต้องทําให้ได้คือ รู้ให้ทันต้องรู้ไว้ท่า น, นพระเจ้าว่าทำอย่างหนึ่งที่ต้องกําหนดรู้คืออะไรเอโกธรรมโบปรินญาโยคืออะไรรู้ไหมทำอย่างหนึ่งที่ต้องกําหนดรู้คือผัสสะที่มีอาสวะและอุปาทานผัสสะที่ไป ที่มีอาสวะและอุปท า, านน่ะนั่นแหละมันเป็นทางเกิดของอับกุศลมันการวางแผนชีวิตที่เราจะต้องรู้ว่าในบริบทชีวิตของเราเนะี่ยอย่างจากตรงนี้ไปถึงบ้านที่ทำงาน การเรียนรู้วางแผนศึกษาความเป็นไปในวันหนึ่งหนึ่งว่าโอกาสที่มันจะเกิดอกุศลกับคนนั้นกับคนนั้นกับคนนั้นกับคนนั้นกับใครบ้างกับใครบงังกับใครบ้างเราเรียนรู้ให้มันให้จิตมันได้ประจับ ก, การเรียนรู้อย่างนั้นแล้วสติสมาธิธรรมะทั้งหมดที่เราฝึกฝนอบรมมาเนี่ยมันจะถูกนํามาใช้ให้เป็นกําลังของจิตในการที่จะดูอกุศลนั้นแล้วก็หาทางบริหาร จัดการควบคุมความคิดนั้นไม่ให้มีอานาจการบริหารได้ควบคุมความคิดไม่ให้มีอานาจมันจึงเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมเราจะปฏิบัติยังไงก็ตามถ้าเราไม่รู้จักบริหารควบคุมความคิดของตัวเองเราก็จะตกอยู่ใต้อํานาจของอาคุศลอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าอาคุศลมาเกิดขึ้นมันสําเร็จปั๊บมันไม่สำเร็จเฉยๆนะ ม, ม, มันจะกลืนกินธรมมนนมรมะที่เรามีอยู่มันจะกลืนกินธรรมะที่เรามีอยู่เกิดอกุศลทีหนึ่งอะธรรมะที่เรามีอยู่มันกลืนไปอีกมันกลืนไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดเนี่ยเราฝึกแป๊บแปออกไปถึงให้มันเคลื่อนไหวสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็กลืนกินหมดข้อที่จะดีไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าเรารู้จักบริหารและควบคุมความคิดแล้วทาให้เรารู้จักความคิดมากขึ้น การรู้จักความคิดนั่นหมายความว่าเรารู้จักตัวเราเองมากขึ้นพราะัพระพเจ้าจึงบอกว่าเราจะต้องรู้จักบริหารและควบคุมความคิดของเราให้ได้โดยใช้หลักการนั้นนี่จริงทั้งหมดเนี่ยในชีวิตของเรามันไม่มีอย่างอื่น มันต้งพูดมวยเจ้ามันมามีที่จิตเนี่ยถ้าจิตไม่เกิดสัตว์ไม่เกิดสัตว์เกิดเพราะจิตเกิดถ้าไม่มีจิตเกิดสัตว์ไม่เกิดข้อนี้แน่นอนนะอันนี้ปนะัตตะณะชาโตเพราะจิตไม่เกิดสัตยังไม่เกิด การบริหารและจัดการควบคุมความคิดจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้และนำไปปฏิบัติจริงๆใจของเราเนี่ยมันมันเหมือนแผ่นดินนะเราปลูกอะไรมันก็ให้ผลอย่างนั้นนะุูเจ้าว่าอย่าท่าหิอัญยตรังปีชังเปรียบเหมือนพืชชนิดใดชนิดหนึ่งเคเตวุตังวิรูหติที่หว่านลงในานาและย่อมหอกได้ ปตวีรสันจะอาคมะเพราะอาัยรถแองแผ่นดินสิเดหันจะตะทูปยังและยางในพืชเป็นสองประการนั่นระวานอะไรลงไปอะระวานความขยันมันก็ส่งดอกความสำเร็จออกมาระวานความดีมันก็ได้รับผลเป็นความเป็นสุขออกมา ระวา่างความรอบครอบความความรอบความพิจารณาเราก็ได้ความละเอียดละอความรอบคอบความรับผิดชอบขึ้นมาระหว่างอะไรไปกเก็ได้อันนั้นนะก็เหมือนกันนั่นในเรื่องของความคิดถ้าเราตรวจ ด, ดูให้รู้จักวางแผนในความเป็นไปของชีวิตเราในระหว่างวัน ว่าเราต้องพกต้องเจอต้องไปสถานที่ไหนบ้างเจอใครบ้างต้องทําอะไรบ้างเรารู้ล่วงหน้าหมดถ้าเราคิดวางแผนอย่างนี้นั้นโอกาสที่มันจะเกิดอกุศลกับคนนัน้นโอกาสที่จะเกิดอกุศลตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเรารู้ล่วงหน้าหมดและพอไปถึง ท, ที่ตรงนั้นไอ้จิตต้นที่มันได้ทําการวินิจพิจารณาไว้แล้วมันจะเตือนเรามันกั บ, บระวังนะระวังอกขุสนระวังอกุศลนะแล้วผมมันเกิดปับ๊บเอ้ามาแล้วอ่ะใช่ไหม อ่ะมันมาแล้วมันกำลังจะเกิดมันรู้ตั้งแต่มันกำลังจะเกิดพอมันกำลังจะเกิดเฮ๊ยมันกำลังจะเกิดแล้วเอามันเกิดแล้วมันก็ได้ใช้พอรู้จักอย่างนี้แล้วมันก็ได้ใช้วิธีในการบริหารในกจัดการให้มันหายไปเอ้พระพิจาท่าใหค่อยกลับมาดูในในระยะสั้นกว่านั้นดูในทุกขณะเลยในเรื่องเดินก็ดียืนก็ดีนั่งหรือนอนก็ดี ถความคิดอันเป็นอกุศลเกิดมันเกิดตอนไหนมันเลยในอิริยาบทใดอิริยาบทหนึ่งนะไม่ว่ายืนบางทีก็เกิดตอนยืนบางทีก็เกิดตอนเดินบางทีก็เกิดตอนนั่งบางทีก็เกิดตอนนอนที่ยังไม่หลับไม่ว่ามันเกิดในอิริยาบทใดอิริยาบทหนึ่งเราจะทําไง แต่มันไม่ได้มาเกิดมันไม่ได้มันไม่ได้อาศัยว่าเราผมจีวอนเราใส่เสื้อผ้าแบรนด์เดมมันไม่ใช่นะมันอาศัยกายอาศัยใจเนี่ยเกิดมันไม่ได้อาศัยชื่อใส่เสียงนะอาศัยกายใส่ใจเนี่ยเกิดพอมันเกิดแล้วทําไงเรากเราถ้าว่ามันเกิดแล้วเราไม่รู้ทันเราไม่มีความรู้เรื่องมันโดยปกติ ของปุทุชนพอเกิดปั๊บสังกับปานังวสานุโกมันจิตก็จะอยู่ในอำนาจของมันและทุกครั้งถ้าพอเขาเกิดมาจนสำเร็จมีอำนาจขับเคลื่อนเป็นเรื่องๆไปของอากูสลแต่ละเรื่องโบหะเนยเยสุมุชิโตก็หมายความว่ า, าจิตเรามันจะหมกมุ่นชุ่มแช่อยู่กับอำนาจของอารมณ์นั้นที่เป็นอากูสล แล้วมันจะทาให้โบหะความหลงความไม่รู้มีกำลังเพิ่มขึ้นด้วยนี่โบหะความหลงความไม่รู้ที่มีกำลังเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นธรรมดานะมันเพิ่มขึ้นในลักษณะที่ละลายบารมีธรรมสติมีเท่าไหร่ปัญญามีเท่าไหร่อะไรมีเท่าไหร่จะถูกโบหะที่มันมีกำลังเพิ่มขึ้นเนี่ยละลายละลายออกไป ละลายออกไปกนณีอันตรายมากโมหะในเยซูมุชิโตจิตรเราจะหมกมุ่นชุ่มแช่อยู่ในอารมณออม์อันเป็นท่าของโมหะอันเป็นทาตของโมหะไปเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นและที่สำคัญก็คือว่าอะพพโพตาติโซว่าผู้เช่นนั้นเป็นผู้ที่ไม่สมควรคือไม่ควรหมาย ว, าว่าไม่มีคุณสมบัติแล้ว ุทุ่งสมโภธิมุตที่จะดำเดินอยู่ในเส้นทางของสมโพธิมุตคือไม่สามารถไม่มีคุณสมบัติดำเดินอยู่ในเส้นทางอันจะเข้าไปสู่ธรรมชาติที่จะที่จะไปสู่ความทุกข์ที่เรียกว่านิโรธวาร ยิ่งเราจมอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นมากเท่าใดเท่าใดเท่าใดเราก็จะยิ่งแน่วแน่หนักแน่นมุ่งมั่นอยู่ในธรรมเส้นทางของธรรมชาติอีกเส้นหนึ่งที่มันไปจนอยู่กับความทุกข์มันยกตนขึ้นไม่ได้แล้วเราจะยิ่งดิน้นถ้าเราไม่บริหารจัดการให้ดียิ่งดิ้นเราก็เหมือนช้างตกลมไปเรื่อยๆท่า น, นพระเจ้าเลยให้ดูกระชั้นเข้ามาในทุกๆอิริยาบถทุกขณะการเคลื่อนไหว โยจิรังจิรังวาปิยะดิวาติตั้งนิสินโดอุดวาสยังวิตกรกังสมาิตวานะไม่ว่าเรายืนเดินนั่งหรือนอนก็ตามเมื่อความคิดอันเป็นอกุศล น, นี้มันเกิดขึ้นแล้ววิตกรกังสมาิตวานะจัด ก, การระหับมันเชะหยุดมันให้ได้ละลายมันให้หายออกไป ทีนี้มันก็จะเป็นวิตกคูปัสะเบระโตก็คือว่ามันจะเกิดความยินดีคือเมื่อใดก็ตามจะให้ลองไปไม่เชื่อท่าพิสูจน์นะว่าพระพุทธเจ้าสอนถูกจริงไหมเมื่อใดก็ตามที่เรามีความคิดเป็นอกุศลนะอะอกุศลที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาความจริงจังความเหนื่อยหน่าย อะไรต่างๆทั้งหมดเน่ยที่มันเป็นอารมณ์อยู่เนี่ยแต่เรารู้จักมันได้แล้วเราลองเชื่อพระพุทธเจ้าดูดูอารมณ์นั้นเสร็จแล้วดับมันให้ได้ให้มันนะครับยับยั้งให้มันละลายหายออกไปจนจิตมันรู้ถึงรู้ถึงความอิสระรู้ถึงความสงบอันเนื่องจากอากุศลนั้น น, นมันดับไปโดยที่เราไม่ต้องไปอยู่บนนั้นมันดับไปเช่นมันโกรธดรุเราก็ใช้หลักการทั้ง ทั้งห้าอย่างที่ว่าเมือเอ่อตะเกี้บเปลี่ยนเรื่องคิดพยายามให้มันดับเปลี่ยนเรื่องที่คิดถ้าเปลี่ยนเรื่องคิดแล้วยังไม่หายก็ยดูถึงโดยโทษของมันรายละเอียดของมันว่ามันเป็นอย่างไรจนมันเบาบางหายไปถ้ามันยังไม่หายก็ไปทาลืมอมันเสียทิ้งมันไปเลย ให้จิตไปสบวยอารมณ์อื่นหรือไม่ถ้ามันยังไม่หายก็ใช้ควันกับควันกดกันลิ้นดันเพดานเพื่อให้ความรู้สึกตัวอย่างแรงซึ่งมันคือทำอาการอย่างใดอย่างหนึ่งจนจนอารมณ์อเป็นอกุศลนั้นมันหายจิตรู้ว่าอกุศลนี้มันหายโดยที่เราไม่ต้องไปอยู่ในอำนาจมันก็จะเกิดการเบาการเบ า, ก า, เบาการสบาย ความโลง่งนี่มันทําได้บ่อยๆเพราะอกุศลมันเกิดเรื่อยถ้าเราทําได้บ่อยๆพระพุทธเจ้าว่าวิิตตกูปสเบระโตมันจะเกิดความยินดีในความสงบไออันเกิดเนื่องจากอกุศล น, นั้นทํามันรล้ครับถ้ามันมีความยินดีในความสงบเมื่อคราที่อกุศลแะ้รครับจิตมันจะทําให้จิตเราเซบอาเสพกุศลเป็นปกติ ถ้ามันมีความยินดีในความสงบมันเกิดจากอกุสร์มันดับบ่อยบ่อย่อ ย, อยตัวนี้เป็นธรรมชาติมันจะน้อมมันจะเอือ้อมันจะเป็นตัวอุปการะต่อการเจริญสติต่อการฝึกฝนอบรมภาวนาของเราเพราะเราจึงจําเป็นที่จะต้องมีการดูแลบริหารควบคุมความคิดของเราด้วย ตัวในระหว่างวันนี่มันตัวที่จะมาทำลายเราไม่มีอย่างอื่นนะนอกจากความคิดจริงๆให้ลงคิดดูละลูกมันทำไหมไม่ทำหรอกคู่ชีวิตมันทำไหมเขาเป็นของเขาอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นใช่เปล่าเรามาเรื่องมากเอคือเขาเป็นธรรมชาติอย่างนั้นใช่เปล่าเ็ว เออเขาเป็นธรรมชาติอย่างนั้นแต่เราอะอยากให้เขามาเป็นเหมือนอย่างที่เราคิดเขาดีหรือไม่ดีเรื่องของเขาเพราะธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นแต่อกุศลที่เกิดกับเราเกิดขึ้นจากความคาดหมายว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเกิดการไม่ได้ดังใจขึ้นมาแต่ทั้งไม่รู้แหละทั้งเหตุผลทั้งหมดทั้งสิ้นที่เป็นไปอยู่นั้นปรากฏว่าอากุศลเวลาเกิดมันเกิดที่ไหนอะ เกิดที่จิตเราเพราะฉะนั้นการบริหารฝึกฝนควบคุมจิตเพื่อให้รอดพ้นจากอากุศลมันจึงเป็นหน้าที่ของใครของเราโดยตรงโดยเฉพาะเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเว้นจากเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่เว้นจากเรื่องนี้ปล่อยให้อกุศลมันครอบงำจิตเราไปเรื่อยๆธรรมะเข้าไปปฏิบัติครอสก็เข้า ก็เข้าธรรมะก็ปฏิบัติลมหายใจก็ดูดนจงกลมก็เอาแต่ว่าด่าชอดชอดก็ไม่หยุดบนรุ้บุก็ไม่หยุดมันก็เหมือนกับอะไรเหมือนนะน้ําก็อาบสบู่ก็ถูแชมพูก็ลงได้อะไรอีกฮะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แป้งเลยสิเออควันก็แปลง แล้วก็ขี่โคลนก็เล่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ล้างมืออา่าเดี๋ยวก็ไปจับน้ำคราบอีกน้ำสุกกระปลกในในในในคูน้ำอย่างเงี้ยอาเดี๋ยวก็อาบน้ำอาเดี๋ยวก็ไปถู ก, กับขวาผนังอีกอา้าไม่คือถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงต้องดูแลบริหารความคิด ดังนั้นมันจะทําลายมันจะทําลายทำในใจของเราหมดมีนิดๆหน่อยๆสมมุติสมมตุมมติทำในใจของเรามันเป็นอะไรเอ่อเป็นความสมมุติเราเป็นความสะอาดก็แล้วกันอืมมีอยู่สักเราเป็นน้ําดีกว่าเป็นน้ําใสๆเย็นๆสักสี่หห ย, ย, ย, ยด เจออันนี้ด้วยความร้อนห้าสิบดีกรีหกสิบดีกรีแผดเผาเข้าไปโอ้โหเหือดแห้งหมดมกินหมดอะ่ะเพราะนั้นเราไม่ใช่เอาแต่ปฏิบัติหลับหูหลับตาปฏิบัตินะมันต้องรู้ให้ทันให้ได้ว่าในขณะที่เราภาวนาเพื่อจเจริญสติสมาธิปัญญาเราจะต้องมีวิธีการจัดการ เพื่อถอดถอนอากุศลแล้วก็อบรมต่อยอดบา ร, รมีธรรมในใจของเราด้วยการไม่ให้จิตอยู่ในอํานาจของอากุศล น, นี่มันจะทําให้เราเร็วจะทําให้เรารวดเร็วมากแล้วข้อธรรมอย่างหนึ่งอ่ะที่มันเกิดโดยธรรมชาติถ้าเราเป็นอย่างนี้นะข้อธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดโดยธรรมชาติคืออะไรรู้ไหมฮิริโอต ป, ปะ ฮิริโอตาปะพอทำอย่างนี้บ่อยๆห ย, ยุดเขาได้บ่อยๆ อ, ออกมาจากอำนาจของอกุศลบ่อยๆด้วยการกระทำของเราอย่างนี้บ่อยๆต่อไปเวลามันจะเกิดมันยังไม่ทันเกิดเลยนะมันจะเกิดฮิริจะมาแล้วเขาจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติฮิริมาแล้วโอตาปะมาแล้วฮิริโอตาปะจะเกิดขึ้นมาทันทีอันนี้หมายความว่าไงอันนี้หมายความว่า เมื่อมีเหตุปัจจัยแห่งอกุศลเคลื่อนไหวฮิริโอตปะมาดับเหตุแห่งอกุศลเหล่านั้นอันนี้คืออะไรรู้ว่านี่คือเส้นทางของสุขตินั่นหมายความว่าอะไรถ้าสภาพจิตใดนะสะภาพจิตใดที่มันเคลื่อนไหวอยู่ มีฮิริโอตาปะเกิดขึ้นดับเหตุของอกุศลสภาพจิตนั้นคือสภาพจิตที่ตรงต่อเส้นทางที่ชื่อสุขติไม่จำเป็นต้องเป็นโสดาบันนนนะตอนเนี้ยแก้คุอย่างนี้บ่อยๆนะเออแม้นจะไปอบายมันก็จะต้องไปอบายด้วยกำลังของกรรมที่แรงมาก เรียกว่ามันจะต้องเกาะอยู่ที่จิตเกาะอยู่ที่จิตเกาะอยู่ที่จิตเกาะอยู่ที่แรงมากแหละมันถึงจะไปอบัยได้แต่ถ้าเส้นทางในปล่อยให้จิตเป็นปกติอย่างนี้มีฮิริโอตปะเพราะมันทําท่าจะยังเคยโกรธทุกวันโกรธโกรธวันนี้พอทําท่าจะโกรธอ่ะพี่เหตุปัจจัยมาแล้วมันดับเพราะมันเกิดความละอายขึ้นมาเองจิตมันเกิดความละอายกับการที่จะต้องโกรธอีกแล้วมันเกิดความละอายที่จะต้องโกรธอีกแล้วแล้วมันหนักใจตอนโกรธ เพราะฉะนั้นมันเกิดความกลัวเป็นโอตาปะว่าจะเกินปล่อยให้ความโกรธที่มันอยู่เพราะมันเป็นทุกข์กับจิตของตัวเองเหมือนกับเราอาบน้ําสะอาดสะอาดแต่งตัวสะอาดสะอาดแล้วเอาไปเล่นขี้โคลนนะมันมันกลัวความสกรปรกมันมีโอตาปะขึ้นมาไอ้ น, นี้เราเริ่มปลอดภัยจากอาโศลแล้วมันจะยิ่งทําให้เราอบรมฝึกฝนปฏิบัติธรรมง่ายขึ้นเข้าใจไหมล่ะตรงเนี้ย เพราะหน้าที่ของเราจะต้องมีการดูแลบริหารอบรมความคิดเพื่อไม่ให้จิตอยู่ในอำนาจของอกุศลมันความคิดไม่ดีทั้งหลายแหล่นี่แหละเรียกว่าอากุศลจิตที่มันเคลื่อนไหวอยู่ที่จิตของเราเราจะต้องบริหารและจัดการเมื่อเราบริหารและจัดการได้มันก็จะเกิดเป็นบา ร, รมีธรรมกับใจของเรา การอบรมฝึกฝนจเจริญจิตตภาวนาไม่ว่าเราจะปฏิบัติอยู่ในสายไหนนะถ้าไม่บริหารความคิดควบคุมความคิดไม่ปล่อยให้อ่อปล่อยให้ความคิดอันเป็นอกุศลเป็นใหญ่ในจิตเราจะต้านทานไม่ได้ก็ต้านทานไม่ได้ในทางตรงกันข้ามถ้าเราบริหารความคิดกําจัดอกุศล ควบคุมความคิดอันเป็นอกุศลไปจากจิตของเราได้มันก็เกิดธรรมะฉันทะมันก็ง่ายและเอื้อต่อการเจริญภาวนาอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและก็จต้องฝากไว้เคยมีคำถามอะไรบ้างเหลืออีกเวลาอีกสิบนาทีอ้าดีไหม บายบางทีการบริหารความคิดการดูแลจิตให้รอดพ้นจากอคุิลเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่สาหรับสำหรับบางคนนะเพราะบางเหตุบางปัจจัยอย่างเช่นว่าอย่างที่พูดมเมื่อกี้เนี่ยถ้ามันเกิดกับพ่อกับแม่นี่บางคนเป็นลูกสบายเนี่ยมันเกิดกับแม่สามีอย่างนีอมันอัดอั้นแต่มันทำอะไรไม่ได้แต่ทำได้ เือมันทําได้ด้วยห้าวิธีนี้แหละไม่วิธีใดวิธีหนึ่งให้มันดับไว้ก่อนดับโดยที่เราไม่ต้องไปพยียามไม่ต้องไปนั่นกมันไม่ต้องไปอยู่แนวอานาจของมันพอมันดับแล้วถ้ามันจะเกิดใหม่ก็เอาให้มันดับอีกมันจะเกิดใหม่ก็เอาให้มันดับอีกมันดับจนมันฝ่อมันดับจนมันฝ่เพราะมันฝอมันไม่ใช่ฝออย่างเดียวนะอํานาจของโบหะมันฝอลงไปด้วย อโมหะตัวนี้ก็คือว่าตัวที่จะต้อนจิตเข้าไปสู่อารมณ์อันเป็นอกุศลนั้นนั้ น, น, นมันมีกำลังเบาลงไปด้วยถ้าตัวนี้มีกำลังเบาโอกาสที่เราเป็นผู้ชนะมันก็จะมากขึ้นเรียกว่าอยู่อย่างผู้ชนะอยู่อย่างผู้ชนะทำได้เะละ่ะในขณะเดียวกันการปฏิบัติในรูปแบบก็ต้องไม่ขาดนะ ต้องทำไทว้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันแต่ว่าในชีวิตในระหว่างวันตัวที่จะทำให้การปฏิบัติของเราต่อยอดได้ดีที่สุดคือการดูแลจัดการความคิดอันเป็นอกุศลของเรานี่นะนะเข้าใจป่มสำหรับวันนี้ก็ในเวลาพอสมควร่ะครับพอนะ อจิตังปติตังตมหิปปามเบวสัมมิชาตุสัพเพบุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยธามานิโจติราโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพรโรโกวินาศตุมาเดวะวัฏวันตราโย สุขีธีขายุโกภวะอะฟวาัทนาสิลิสนิจจงุทาปะจายโดจตารธมาวัตันตีอายุอันโดสุขขังทะลัง